กรับงพ่อเป็นประธานอวห้ความเคารพมาอย่างเพื่อนสากลมิกทุกทุกรูจเจริญพรมายังคุณแม่จีแล้วนายกทำ ท, กทุกท่านเข้าวันที่หนึ่งเมษาอากาศก็ยังหนาวอยู่ปีนี้ก็ถือเป็น สบายยะอากาศสบายช่วยทำให้เรารู้สึกปลดกลายสดชื่นเตือนเจ้ามาเราก็มาทำบุญสวดมนกันโดยเ่าะบทที่ ที่สวนวันนี้เป็นบทที่ทำให้เราได้เกิดการระมัดระวังในการใช้ชีวิตนักบวชบากกรรมอกุกสแม้เล็กน้อยเราก็เลี่ยงกัน โดยทาที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทคือความรู้สึกตัวสติสัมผันยะเป็นลองรอยทําให้เกิดการเดินทางการเกาะอยู่กับปัจจุบันกันนะรู้สึกตัว ไม่เราเห็นอดีตเกิดการทบทวนอดีตเหตุร่องรอยที่ผ่านมารู้ว่าผลที่กําลังเกิดขนาดนี้เกิดมาจากเหตุอย่างนี้รู้ว่าขณะนี้ทําเหตุอย่างนี้มันจะมีผลอย่างไรต่อไป การคิดการพูดการทำมันเป็นกรรมอย่างไรมันเป็นธรรมอย่างไรการเดินจงกลมการนั่งสร้างชงวะการดูลมหายใจมันเป็นธรรมอย่างไรแล้วก็มันเป็นกรรมอย่างไรมันเป็นธรรมดีมันเป็นธรรมชั่ว เราไม่เป็นธรรมชาติอย่างไรมันก็เห็นล่องเห็นรอยกรรมฐานทำไมเกิดธรรมชาติทให้เห็นความจริงกฎของธรรมชาติตะเมโสปุเพยกตัยสุขทุกขังนิคัจจติ โวรานกังกระตังปาปังตะเมมนุนเจอีนังมันเป็นคำบาลีเคยอ่านเจอแล้วสะดุดใจมันสะดุดขณะนี้ไม่ว่าจะเกิดความสุขความทุกข์จากเหตุที่เคยทำบุญทำบา มาแต่การก่อนโบราณกัางกระตังปาปังปร ะ, ปประดดว่าขณะนี้เรากำลังใช้หนี้ชนนี้คิดป๊บถึงอดีตเป็นสุขคิดถึงอดีตเป็นทุกข์มันก็บอกถึงว่าเคยทำอะไรไว้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักผลเกิดมาจากเหตุ มันก็เลือกเป็นความเป็นปกติก็มีเหตุจิต ท, ที่หลุดออกมาจากอดีตหลุดออกมาจากความคิดมันก็มีเหตุเหตุก็คือเรารู้อยู่กับปัจจุบันรู้ซ้ําๆเหตุาการณ์อาการในจิตในใจ ที่มันหลงเพลอเมอะไรกลายเป็นสุขเป็นทุกข์อีกเป็นปัญหาเกิดการใช้ชีวิตที่มันผิดมันพลาดไม่มีความแม่นยำไม่มีความชัดเจนทำด้วยอารมณ์มันก็เลือกเป็นกรรมฐานเป็นคาตอบ กรรมฐานไ่เกิดยานของปัญญาขก้นมาวิปัสสนาญาณกรรมฐานเป็นเหตุวิปัสสนาญาณเป็นผลวิปัสสนาญาณเป็นเหตุการเดินทางสู่การพ้นทุกข์มันก็เป็นผลมันก็เดินไปข้างหน้า ด้วยความอ่อนโยนด้วยความนุ่มนวลมารงแล้วเราความอ่อนโยนความนุ่มนวล น, นี่นะคือการเดินทางมันไม่ใช่อ่อนแอเปล่าบางเปรียบเหมือนน้ำมันไหลไปข้างหน้ามันมใจความอ่อนต้นไม้ลากจะลงดินเน่ว่าหน้าแรงเูดูใบ ไ, ไม้ผัดใบ มันจเจริญเติบโตลงดินตามหาความชืน้นตามหาอาหารราก็อ่อนชัยลงดินลงหินไปเราดูใบไม้ผลิก็แตกใบอ่อนอีกจเจริญขึ้นด้านบนใบอ่อนยอดอ่อนก็แทงขึ้นคือความจเจริญงอกงาม ข้างในก็รุ่มลึกข้างบนก็ออกใบออกดอกออกผลเป็นประโยชน์ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งตัวเองทั้งคนอื่นนกหนูนอนก็ได้อาัยเป็นอาหารได้อาัยเป็นร่มเงาเป็นบ้านพัก มันก็เห็นอย่างนั้นเป็นกฎกองธรรมาฐานสติปัญญามันก็พาทำเกิดความอ่อนน้อมต่มตนเกิดการยืดยืดหยุ่นยินยอมสยบความดีนิยอมเย็นเป็นปกติสุข พอรู้สึกตัวแต่ละขณะกายใจของเราที่มีอาการสแสดงออกเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามสมมติบัญญัติเป็นหน้าที่ที่มันเกิดจากคุณธรรมจรยธรรมศรรมีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีนิยมรวมกันตกลงเห็นว่ามันเหมองมันควร เราเห็นความจริงจริงๆ <Yeah. S 2> ส่วนที่เป็นขี้ริ้วแต่ว่าก็มีประโยชน์ส่วนที่เป็นขี้ริ้วไม่มีประโยชน์ <Yeah. S 2> ส่วนที่ตัดออกไปเหลือแต่เกล็แท้ๆ <Yeah. S 2> จึงมีศรัทธาความเชื่อต่อความรู้สึกตัว มันไม่เป็นส่วนขี้ริ้วเป็นส่วนที่พึ่งได้เราก็จึงทำให้มันเกิดขึ้นมีพอใช้พอใจจริงๆไม่กระทบกระเทือนไม่หวั่นไหวไม่งอนเงินก่อนแกนมันมีปัญญามีเหตุมีผลแล้วก็อยู่เหนือเหตุผล อยู่เนอะสมมติมันยัดต่อไปการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เป็นการปฏิเสธตัวเองปฏิเสธความสุขปฏิเสธความจรงิงความดีความงามเป็นส่วนที่ประกอบ รูปแบบสิบสี่จังหวะเนี่ยเป็นส่วนประกอบเป็นอารมณ์รูปนามเป็นสมมติบัญญัติเราก็สร้างขึ้นมาจากที่ได้ยินได้ฟังผู้รู้แนะนำชี้นำสั่งสอนพรำสอนเราก็น้องก็มาปฏิบัติการเราก็เห็นจริงว่า อารมณ์ปฏิบัติอารมณ์รูปนามการเคลื่อนตาการไหวแต่ละขณนะการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะหันายแลกว่าการโกบฉันแต่งองค์ทรงจีวรถือบาทอาการกิริยาต่างๆของกาใจรูปนามที่ปรากฏแต่ละขณนะ เราก็ใส่ใจกำหนดกำหนดแต่และขณะมันก็ตัดตัวการหนัดทาไมกำหนดก็เผลอหลงไปทางตาหูเกิดกดารหนัดปัญหาละคะมันก็เห็นอย่างนั้นมันก็จึงตรงไปตรงมาตรงต่อความรู้สึกตัว เคลืน่นการไหวในรูปแบบมันก็ออกไปนอกรูปแบบนอกรูปแบบแต่ขณะก็มีกายมีใจมีรูปมีนามมีวตัตถุอาการปรมัตมมีเยอะสติที่มันจเจริญขึ้นมาจเจริญสติสติมันก็จเจริญขึ้นมาการระลึกรู้ว่องไว มันก็จะเป็นญาณของปัญญาไปก็ทำหน้าที่เองตามกฎของธรรมชาติไม่ต้องสร้างมีไว้ใช้รู้เท่ารู้ตานอาการรู้เท่ารู้ตานอารมณ์ไม่ว่าจะมาติศทางไหนมันก็มีเกราะป้องกันเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูก เปลี่ยนความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์อะไรที่ไม่ปกติที่ทำให้เราหลงเพลอดลืมเนื้อลืมตัวลืมความรู้สึกตัวมันก็จะสะดุ้ง ท้ายสุดมันจะเกิดความอบอุ่นขึ้นมานความนิ่งไม่หวาดภาวาไม่กังวลไม่สงสัยไม่ตื่นตระหนกตกใจไม่ตื่นกลัวเมืตื่นรู้ตื่นทุกมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์มันมีแต่ทุกข์เมื่อเราไ ป, ปมาเราก็เห็นสิงเหล่านั้นเป็นอาการ เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเผลอไผลหลงก็เป็นเหตุปัจจัยไม่ได้ความ ร, รู้สึกตัวมันเป็นคำตอบจนรู้สึกตัวเวลามเกิดาการคิดขึ้นมาภายในจิตในใจเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ละขณะในจิตในใจของเรา ที่ว่าของเราไม่อาจจะเป็นความง่งวงเหงาหนอนความเบื่อความเซ็งขณะปฏิบัติความคิดฟุ้งซ่านหลงเลย ส, สงสัยขณะปฏิบัติมันครอบงำมันครอบงำกำลังของสติสมาธิปัญญาที่เกิดจากการรู้เนื้อรู้ตัวที่ฐานกาย มันก็ใช้ได้จริ ง, รงๆเมื่อก่อนในยุค ต, ต้นๆของการวิบัติมันก็มีความรู้สึกว่าความรู้สึกที่ฐานกายนะนการเคลื่อนการไหวแตนะ่ละขณะที่ฐานกายเนะี่ยมันก็จะต้องเรียกว่ากําหนดกันต่อเนื่องแนบแน่นจนั้องเกิดอาการเกร็ะ อาการเพง่งอาการจ้องแล้วคิดอะไรไม่ออกมันมีอาการที่สมองทื่อเดินไปไหนนี่เหมือนผีดิบ mm. เดินไปไหนนี่กำหนด mm. ไม่สนใจใคร mm. เดินรู้สึกเดินรู้สึกเดินรู้สึกไปเจ mm. อใครทักทาย เป็นฝูงทักไทยในช่วงการเก็บมะหลมก็รู้สึกกลัวกลัวความคิดเพราะว่าความคิดคิดความคือตัวทุกข์ไม่ได้เอใจว่าความคิดคือธรรมชาติของจิตน ทุกครั้งที่เกิดความคิดเราก็กลัวขมทุกครั้งที่คิดก็ถือว่าเราผิดพลาดจะตอนหลังมาจับได้ว่าตัวคิดกับตัวความรู้สึกที่ฐานไกาเวลามันคิดจิตทํางานได้ดีละขณะรู้สึกตรงไหนจิตมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอารมณ์เกิดตรงไหนแล้วครอบงมจิตก็อยู่ตรงนั้นแหละ ขนาะเดียวกันรู้สึกที่กายทั้งตาหัวจรวดเท้าตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นแหละเอาเนื้ากระทบกันจิตเขอยู่ที่นื้วกระทบกันขนาดนั่งอยู่ก้นกระทบพื้นจิตก็อยู่ที่ก้นกระทบพื้นนั่นแหละทารู้สึกพอ <Yeah. S 2> จับได้ถึงอาการตรงนี้ปั๊บมันก็เริ่มอีกร่องรอยของความชัดเจนขึ้นมา ตัวกลางที่จิตคิดมันก็รู้สึกที่จิตคิดมีสติไม่หลงเผลอไปปรุงแต่งกับความคิดพมือเห็นอาการที่มันห ล, ลุดออกมาความคิดดับลงไปเวลามารู้สึกที่การเคลื่อนการไหวแต่ละขณะก็มีอาการหยุดจุดดูการเคลื่อนการไหวหของกายไม่เข้าไปในความรู้สึกของกายแบบแนบแน่นเนี่ย เราเริ่มเห็นช่องทางเห็นความเบาสัมผัสอาการที่ทุกมันลดแท่านที่จะตกเป็นแทดอยู่ภายใต้อิทธิพลของของรูปนามอารมณ์ต้นเลยของรูปนามเมเวลามีกายมันก็ไปในกายเวลามีจิตคิดมันก็ไปในจิตคิดเนี่ยมันเริ่มออกมาหยุดดู หยรู้อยู่ห่างๆมันก็เลยรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้มันก็เป็นหน้าที่ใช้กายใช้ใจ เ, เกิดประโยชน์เกิดหน้าที่การคิดการพูดการทำแต่เวลาที่เราจเจริญสติเราไม่ต้องใช้ความคิดมันไม่ต้องใช้เราใช้แต่การรู้ความคิดเกิดขึ้นเองตัวรู้ที่มีมันก็รู้ กายที่มันเป็นเองเช่นลมหายใจตากระพริบท้องพองยุบหรือว่าการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวเป็นความรู้สึกตัวทั่วสาปหังกายขณะที่เราขยับแล้วกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ก็จะเดินไปแตกฉานไปเราจิตคิด ลนะขณะละขณะเป็นบุญอย่างไรเป็นบาปอย่างไรคิดแล้วเรารู้สึกอย่างไรบงที่อดีตผ่านไปแล้วความสุขเก่าๆมันก็นานแล้วห้าปีสิบปียี่สิบปีเป็นซากมันก็ยังล้วงระลึกเอาซากความสุขเก่าๆมาเสพบางทีก็มีความสุ ข, ขการวาดฝันไปในอนาคต เป็นอดีตเป็นอนาคตมาที่เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเป็นอารมณ์ปฏิบัติเช่นตัวปิติเวลาคิดเป็นบุญขึ้นมามันมีอารมณ์ปิติขึ้นมาคิดถึงความสําเร็จที่ผ่านมามันก็มีปิติขึ้นมาคิดถึงความดีของคนดีในสังคมปูชนียบุคคลต่างๆคิดถึงองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็น พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมันเกิดบุญขึ้นมาเกิดปีติขึ้นมาเราก็เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาที่กายที่จิตใจของเราแต่มันก็มีตัวรู้อีกตัวหนึ่งที่มารู้อาการเหล่านั้นซ้อนขึ้นมาเห็นอาการตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องขึ้นมา มันไม่เคยเป็นมันก็เป็นมันไม่เคยเห็นมันก็เห็นเนี่มันไม่ใช่รู้ยึดรู้แล้วเข้าไปอยู่มันกลายเป็นรู้แล้วออกมาดูรู้แล้วออกมาดูมันก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วมันรู้ครั้งหนึ่งกับรู้ครั้งสองซ้ำๆสามสามีสม่ห้าซ้ำๆรู้แล้วรู้อีกเหมือนเดิมอาการเดิมมันก็ชํานานขึ้นมา พอถึงเกิดประโยชน์นะกรรมฐานความตรงชัดตรงต่อความรู้สึกตัวท้ายสุดมันก็มีคำตอบในความรู้สึกตัว <S S S <c oughs> เห็นแล้วเห็นอีกเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง <S S <c oughs> ที่ว่าเปลี่ยนแปลงเช่นเคยคิดอยากศึก <S S <c oughs> เคยคิดอยากศึก ก็ไปตรงกับครูบาอาจารย์อีกหลายท่านหลายคนที่คิดอยากสึกเพราะว่าตอนบวดเอากระเป๋าเสื้อผ้าฝากไว้กับหลวงพ่อคำเขียนก็ตั้งใจว่าสองปีถ้าไม่รู้อะไรก็สึก ท่านก็มาถามว่ากระเป๋าเนี่ยจะให้หลวงพ่อทำยังไงเมื่อไหล่ยาวคืนไปท่านถามอยู่สามครั้งส่วนตัวนิยมนิยมนับหนึ่งสองสามไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นจะพูดอะไรก็ถามจะใครควรจะู่หนึ่งสองแล้วก็สาม หนึ่งสองแล้วก็สามในสมัยนั่นก็ลองดูว่ากรรมฐานการเคลื่อนการไหวในหลวงพ่อเทียนจิตเถอโพหลพ่อเทียนกำหนดไว้สามปีถ้าเราปฏิบัติจะสามปีหรือไม่ก็คงไม่ใช่เป็นคนฉลาดเกินหรือว่าโง่เกินไปนะักก็มองตัวเองอย่างนั้น แต่ว่าสิ่งที่ให้ทำน่คืออะไรประเด็นของการปฏิบัติอยู่ตรงไหนเท่าที่จะประเด็นจากหลวงพ่อเองคือให้เคลื่อนไหวรู้สึกไว้ก่อนในรูปแบบทำให้มากแล้วก็ไปตามสายงานสายงานก็บอกว่าให้ปฏิบัติให้มากงานไหนก็นงานนั้นนะพากันเดินจมกลมแล้วก็นั่งสร้างใช่ไหะอย่างน้อยก็นในเวลาราชการ ตั้งแต่เช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้ายันเพลงแล้วก็ปฏิบัติต่อถึงสี่ห้าโมงเย็นก็เมือนก็เป็นเวลาราชการนอกกนั้นก็ฟังเทศฟังธรรมทําบัดสดมนคุกเกรีเราเห็นว่าเรามีโอกาสแล้วก็เข้าป่าปฏิบัติเองก็ได้การเคลื่อนไหวความรู้เนื้อรู้ตัวเราก็พอจะมีข้อมูลมาบ้าง ทําทำไปทำไปประมาณสองปีลืมไปเลยมันไม่ได้คิดเรื่องศึกมันคิดว่าเออในสิ่งนี้เนี่มันมีคุณมีค่าคุณค่านะมันเกิดเห็นคุณค่าขึ้นมาในตัวจริงๆเสร็จแล้วก็เคยไปฟังนะพระอยู่รูปหนึ่งท่านพูดถึงว่าท่านบวชมานาน ปวดมานานเป็นเป็นคนที่ความจำดีมากท่องปฏิมโมกเนี่ยท่องได้ภายในหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยท่องปฏิมโมกหรือว่าเรียนเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปลี่ยนเจ็ดแต่ว่าความศึกก็ยังอยากศึกอยู่ ท่านอยู่กับเจ้าคุณที่จังหวัดสิงห์บุรีวัดปะนอมจักษสีเป็นพระที่บวชวันเดียวกันมาท่านคิเอ๊ะมันทำไมมันอยากศึกทั้งที่สิบขวบพรรษาแล้วพร้อมกับเจ้าคุณเสร็จแล้วท่านก็ไปที่แพร่แสงเทียนไปที่แพรแสงเทียนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเคยปฏิบัติธรรมมาแนวหลวงผู้เทียน เสร็จแล้วพวกอย่างนี้ก็พูดว่าไอ้ที่ท่านยังทุกข์อยู่เนพะรมีความคิดเนะี่ยมันก็พูดเป็นมันก็แสดงออกมานะเหมือนกับว่ามันไม่ทุกข์แต่ว่าในใจจริงๆมันยังทำไม่เป็น ในจิตในใจเนใจี่ยมันยังทำให้เป็นแต่สิ่งที่พูดมามันเหมือนเป็นอย่างนีจ้จาคุณกับพระที่พูดถึงนี้ก็เอใจแล้วก็เริ่มต้นที่จะยกมือสร้างจังหวะจริงๆพ้ยกมือสร้างจังหวะจริงๆเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสอยู่บางทีก็ง่วงที่ก็เบื่อ บางทีก็ฟุ้งซ้านที่การการงานก็ค้างคายอยู่ไอ้นั้นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำแต่ท้ายสุดก็เกิดได้คำตอบขึ้นมาก็คือเห็นอารมณ์เห็นความคิดรู้จักความรู้สึกตัวท่านก็พูดว่าอย่างนั้นของท่านเราฟังดูแล้วเออมันจะเป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของท่านแต่ถ่ง ท, ที่ท่านพูดนําตรงกับที่เราเราเป็นอยู่ ก็คือความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันนถ้ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยมันก็มีหลักปฏิบัติอยู่ชัดเจนก็คือให้กลับมาที่ความรู้สึกตัวที่ฐานกายผมจับความรู้สึกตัวที่ฐานกายนยจิตใจอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปจากที่มันหลงไปตามอารมณ์ ที่เกิดจากการคิดเมื่อกลับมารู้สึกตัวจิตเป็นปกติตัวเดิมอันนี้แหละที่เรียกว่าส่วนที่มันไม่เป็นขี้เลี้ยวเป็นส่วนที่มันไม่ทำให้ชีวิตนักบวชหรือชีวิตที่เป็นชีวิตพรหมจรรย์มันเปื่อนเป็นมันเตียงเครื่องเศร้าหมองเพราะว่าของเก่าเราวิดออก วิทยออกของเก่าไม่ตามมากรรมเก่าไม่ตามมาวิบากกรรมเก่าไม่ตามมามันก็เหลือแต่กรรมฐานเป็นกรรมใหม่เป็นจิตใหม่ชีวิตใหม่จิตปกติชีวิตปกติหลวงพ่อขงกียนท่านชอบใช้คำว่านะวะชีวันนะวะชีวันก็คือชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ใช้ไปอยู่ในโลกสมมติของโลกเหมือนเดิม ในโลกยังมีนิมาตในโลกยังมีสันเสริญในโลกยังมีใส่ยร้ายป้ายสีในโลกยังมีอะไรมากมายในโลกมีนิติ น, นัยในโลกมีปฏิณนนัในโลกนี้มีวินัยในโลกนี้มีธรรมะเราก็เลือกเอาธรรมะกับวินัยเลือกเอากรรมฐานเข้ามามันเป็นธรรมะมันเป็นวินัยมันเป็นศีลที่เกิดจากข้างใน มันเป็นสติที่เป็นสติปัฐานไม่ใช่สติสัญชาตญาณมันเป็นสัมมาสมาธิมันไม่เป็นปัญญาเชโกมันเป็นปัญญาที่พาเราะตัวของเราเองสู่อิสราภาพทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่เกี่ยวข้องเช็克拉กลากไปไทยลากมาหมู่มากลากไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันเปลี่ยนไปอย่างเนี้ย แต่ว่ามันก็อยู่กับโลกเนระียกว่าโลกไม่ช้ำทำไม่เสียมาเลยนึกถึงดอกบัวดอกบัวนี่เกิดจากโคนต้นกว่าจะออกลากใช้เลนใช้คโครนยิ่งมีอินทรียวัตถุมากเป็นปุ๋ยมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกแต่ว่า ดอกบัวไม่ได้ถือว่าเป็นความโสม ป, ปลกแล้วก็พ้นน้าขึ้นมาใบก็เวลาน้ําตกใส่ก็เป็นน้ํำกลิ้งบนใบบอนนลมันก็ปฏิเสธไม่รับดอกบัวก็บานขึ้นมาเพราะต้องแสงอาทิตย์กบาลเกสรก็มีประโยชน์เป็นยาเม็ดบัวก็มีประโยชน์เป็นยา กล็ดบัก็มีประโยชน์เป็นยาใครเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งเป็นความสวยงามแล้วก็แสดงความจริงออกมาก็คือแผ่นทุกข์นจนท้ายสุดก็เกิดความสุขเสกษมสารเป็นประโยชน์ต่อมวลสรรพสัตว์สรรพสิ่งอันนี้คือการเปรียบเทียบอุปมาอุปไม้ก็เหมือนอย่างนั้นจริง จิตของเราผ่านความคิดผ่านอารมณ์จนทั้งเกิดอิสระภาพเป็นความดีความงามด้วยมาทางกายว่าใจใจเราก็เห็นความจริงความดีความงามก็ยึดไม่ได้ไท้ายสุดเกดสรดอกบัวก็ยังโรยเกินกลับสู่ธรรมชาติหมุนเวียนเปลี่ยนไปดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไปสู่ไฟทารู้ไปสู่ทัดว่างต่อไป มก็เห็นอย่างนั้นเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ทั้งตนเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนื่องจากปฏิบัติธรรมเห็นส่วนคี้์เลี้ยวแต่ส่วนคี้์เลี้ยวออกไปหรือแต่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัว <Yeah. S 2> ก็ขอให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นการปฏิบ mm ัติธรรมของเราทั้งหลายนั้น mm hmm. ก็จะเป็นเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกโดยตัวหน้ากันทุกรูปทุกนามตน